ไปก็ให้พากันตั้งใจโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยมีน้อยเหลือเกินส่วนมากมีแต่กิจธุระผู้อยู่เบื้องหลังก็ตั้งอยู่ในอภิมาะ ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทก็เมื่อมันเมื่อไม่ประมาทแล้ว มันก็จเจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงจะไม่มีครูอาจารย์ควบคุมอยู่ก็ตามก็ไม่จำเป็นนะเพราะทุกคนก็บรรลุนิธิภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ตัวดีอยู่แล้วรู้ว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ที่เรามาบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่นี่ก็เพื่อ ฝึกจิตตรงนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันหลุดมันพ้นไปจากขันห้าอันนี้อแต่ไหนแต่ไรมาจิตนี่มันไม่เข้มแข็งมีแต่ยึดขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นอืมเนื่องจากว่าจิตใจนั้นอ่อนแอไม่มีกําลังเพราะบุญน้อยอเมื่อบุญน้อยวัฒนาน้อยแล้วสติปัญญามันก็น้อย อันนี้จิตใจนี่ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกําลังแล้วมันก็อ่อนแอไม่แข็งแรง เ, เหมือนอย่างคนที่ไม่มีไม่รับประทานอาหารนะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ก็อ่อนอ่อนเพลียงลงไปอพ่างนันจิตใจก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยไม่มีกุศลทำเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ยอมสูผ้ผอมลง เหี่ยวแห้งลงไปไม่เบิกบานไม่ลาเลึงบันทังเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะมันจึงได้หาเครื่องดนตรีต่างๆมา เ, เล่นกันนะก็เพื่อที่จะพยุงจิตใจในี้ให้เข้มแข็งไม่อ่อนแ อ, อ, อไปตามความทุกข์ความร้อนต่างๆ เมื่อใจเพลินไปตามมโหสพคบงินต่างๆแล้วมันก็ลืมทุกไปพักหนึ่งมนุษย์ส่วนมากนั้นมองเห็นตั้งแต่มโหสถคบงินร้องราทําเพลงนั่นแหละเป็นเครื่องบันเทาทุกทางกิตใจเหตุนั้นโรงหนังโรงละครนะ่้จึงว่าเหมือนกับวิมานของเทวดาหากคนไม่สนับสนุนมากมายอย่างนั้น เขาก็สร้างใหญ่โตโอท้องนั่นไม่ได้เลยนี่แสดงว่าเงินรายได้มีทุกวันทุกวันสะสมไว้เหตุฉะนั้นจึงได้สร้างโรงภาพะยนตร์นั่นขึ้นใหญ่โตมโหฬารวันนี้วัดว่าอารามสร้างศาลากา ร, รเรียนไว้ใหญ่โตมโหฬารไม่พอจะมีคนไปนั่งเลย วันที่รมหารสพเน่เกือบทุกวันเลยไปนั่งกันเราสังเกตดูนั่นแหละมนุษย์เราบุญน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยจึงได้อาศัยอารมณ์ของโลกนี่อุ้มจิตใจไว้พอได้หายใจค่องหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีเครื่องปรดลมโลกอันนี้ เป็นเครื่องอยู่แล้วมนุษย์แย่เลยกุ้มใจตายมันเพียงนินสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะเป็นผู้เจริญสมาธิภาวนาละอารมณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคแก่ความสงบเสียได้ใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้มันมีความสุขยิ่งกว่าเขาเพิดเพลินในมหสสกโกาเง้น อันมากมายเทียบกันไม่ได้เลยเพราะอะไรนะก็เพราะว่าบุคคลผู้ที่ฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นต่อกุณธรรมอยู่แล้วอย่างนี้นะ่ยย่อมมีความสุขสม่ำเสมอทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอเหมอนอย่างคนรับประทานอาหารอิ่มน้ำตำลานแล้วก็สบายกายก็อย่างนั้นแหละ แต่ว่าอาหารนั่นน่ะมันอยู่ได้เพียงแค่หกชั่วโมงก็หิวแล้วผู้ครองเรือ น, นผู้นักบวชก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงท้าไม่ได้รับประทานแล้วก็ไม่ไหวอ่ะก็คิดดูร่างกายยังต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้แล้วจิตใจน่ะถ้าไม่มีของ สิ่งที่ดีงามเป็นเครื่องหรอเลี้ยงแล้วมันก็ย่อมเหี่ยวแห้งย่อมมัวหมองอพาจิตนี้เมื่อมันไม่ลื่นลึงในบุญในคุณแล้วมันก็ย่อมลื่นลึงไปในบาปอากุศลหรือว่าอารมณ์ที่ให้เกิดความรักความชังต่างๆนานานเะ <Yeah. S 1> นี่แสดงว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมันยังได้หมูนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้น ผู้มาสนใจในธรรมะปฏิบัติธรรมยึดเอาคุณประพุทธประธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ยึดเอาบุญเอาคุณสนความดีที่ทนทำเป็นอารมณ์ของจิตใจอยู่เลยไปอย่างนี้จนว่าใจนี่มันจนว่าบุญคุณอ น, นันซึมทราบเข้าสู่จิตใจใจก็เย็นสบายแบบนี้นะเพราะว่าบุญคุณนี่เมื่อซึมทราบเข้าสู่จิตใจแล้ว อ้กิเลสมันก็ถอนออกไปมันจะอยู่พนเปนกับบุญกับคุณไม่ได้เมื่อบุญคุณซึมสารเข้าสู่จิตใจแล้วใจก็ย่อมเบิกบานผ่องแื่ก็ ม, มีความสุขสงบอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นนะการที่บุคคลมาฝึกฝนให้คุณธรรมบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว จึงชื่อว่าผู้นั้นจึงไม่สนใจที่จะไปหาความสุขสนุกสนานกับมหัศพครบงันต่างๆเหล่านั้นเพราะอ น, นั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวกระดาวก็หายไปเมื่อเขายุดติการเล่นลงไปแล้วไอความสนุกสนานเหล่านั้นก็หายไปก็อย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ มันก็เลื่นเริงบันเทงแต่เวลาเขาเล่นให้ดูอยู่เท่านั้นเนี่ยครเวลาเขายุดตีลงแล้วมันของของเก่านั่นเนี่ยเคยเสียใจครับแค้นใจเคยเดือดร้อนใจด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรมามันก็กลับกุ้มขึ้นมาของเก่าเงยเพลงนั่นมาเพราะฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของโลกนะั้นไม่สามารถจะบรรเทาความทุกข์ได้ให้สม่ำเสมอไปได้ อารมณ์ในทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลอันนี้นะสามารถชะโรมจิตใจของคนให้สบายอยู่เรื่อยไปแต่ผู้นั้นต้องไม่ประมาทนะมันจึงได้เป็นผู้มีสติสรมะเชญาะสํารวมจิตอยู่เสมอเสมอรักษาจิตอยู่เสมอหมายความว่างั้นเนละ จะ ย, ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทําการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตดวงนี้มีสติเข้าไปควบคุมไปประคองไ ป, ป, ไ ป, ปกลัวกล้าดูความรู้สึกอันนี้ว่ามันไปเกาะไปคล้องกับอะไรมันยินดียันร้ายกับสิ่งใดเออต้องต้องไปกลวดดวูหรือมันตั้งเป็นปกติอยู่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไร ก็ให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตนี้เป็นปกติเมื่อยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆในโลกนี้อย่างนี้ก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ด้วยสติ้องมัจชนยะเดี๋ยว่าประคองไว้ไม่ใ ห, ให้ให้มันเป็นปกติอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปถึงเมื่อเวลามีเหตุอะไรมาถึงเข้า แล้วก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั่นได้พันธีเลยไม่สัจ้าเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้ ว, ลวน่ะมันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาเขาเคยอุปมาให้ฟังอยู่เหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างนี้แหละมันก็ไปจ่ออยู่ที่สวิสต์น่ะนะไวน่ะ สวิคนั้นสำหรับกันไฟไว้ไม่ให้มันวิ่งเข้าไปในหลอดก่อนเพราะไม่ต้องการอย่างงี้กลางวันอย่างนี้นะมันมีแสงดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างแล้วกดสกัดกระแสไฟนไว้ก่อนอการที่มีสวิตคสําหรับสกัดกระแสไฟไว้นั่นได้แก่การทําจิตให้เป็นสมาธิไม่ไม่ไม่ยอมรับรู้อะไรก่อนตอนนั้น่ รู้แต่จิตดวงเดียวรู้แต่ตัวของตัวเองมาเข้ามางานเนี่ยรู้แต่จิตดวงเดียวเท่านั้นจิตรู้จิตรู้ว่าจิตเป็นปกติจิตไม่ได้หลายดวงนะรู้ว่าจิตดวงเดียวเหมือนสวิทไฟแต่ละดวงแต่ละหลอดไฟก็มีสวิทตัวหนึ่งอย่างนี้แหละเจร เมื่อเวลาต้องการแสงสว่างมากดสวิตช์ไฟนั่นไฟนนไฟ้ามันก็วิ่งเข้าไปในหลอดก็ส่องแสงสว่างออกมาอันนี้ก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเวลาเรามีสติปปะคับประคองจิตใจเป็นปกติอยู่เสมอไประ ว, วั น, นี้เวลามีเหตุอะไรมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั่นเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งทันทีเลย นั่นเรียกว่าไม่หลงอจิตไม่หลงอารมณ์ไม่หลงยินดีร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเพราะว่าสติคอยจดจ้องอยู่เสมอเนคอยจดจ้องที่จิตอยู่เสมอปัญญาก็เกิดจากสตินั่นแหละเมื่อสติระลึกถึงเรื่องนั่นได้ปัญญามันก็วินิจฉัยเรื่องนั่นได้อืม วิธีใช้เรื่องนั่นได้โดยแจมแจ้งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ไม่สามารถจะส่องดูร่างกายภายในซึ่งมีหนังหุ้มอยู่ในรอบนี้ได้เลยอืม แล้วก็ส่งมาจากผิวนอกนี่เท่านั้นเองแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ต่างๆแต่แสงแห่งปัญญาแล้วก็มันเกิดกับจิตนี่จิตอยู่อยู่ภายในกายนี่เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันก็ส่งแสงกระจายทั่วร่างกายมันก็มองเห็นร่างกายนี่ชัดตามเป็นจริงมองเห็นอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาแต่ภายนอก ก็เห็นได้ชัดเลยเป็นอย่างนั้นเห็นยังไงว ะ, ะก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับถ้าสิ่งใดมีเกิดแล้วจะไม่ดับไม่มีเลยในโลกนี้สิ่งที่ไม่มีเกิดมีดับก็คือพระนิพพานเท่านั้นเอง พอพระนิพพานนี่อยู่นอกเหตุเหนือผลแล้ ว, ว่าสิ้นสุดกันลงแล้วเรื่องเหตุเรื่องผลเนื่องจากว่าละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วแต่ท่านจึงไม่ต้องมีเหตุผลอะไรในจิตใ จ, จของพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายเขาความอยากท่านก็ละไปหมดแล้วความโกรธท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะ ความหลงสาคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนถ้ากัลละเสียแล้วเอท่าก็รู้ก็เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนี้นะเขาเมื่อเห็นแจ้งในขันห้าทาเป็นจริงอยู่นี่แล้วมันก็เห็นแจ้งสิ่งอื่นนอกขันห้านี้ออกไปทั้งหมดเลยอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็มีสภาวะเหมือนกันเนี่ยสิ่งภายนอกกับเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมเหมือนกัน ขนธ์หน้านี่ก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอนะต่างแค่ว่ามีจิตวิญญาณมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแตกต่างกันตรงนี้ส่วนต้นไม้หินผากรวดทรายเออดี๋ยวนี้นั้นไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่แต่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันเกิดเป็นตัวสัตว์แต่จิตวิญญาณไม่อาศัยอยู่วัตถุระดาดอย่างนั้นไม่มีถ้ามันอาศัยอยู่มันต้องเกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมา อ่าเป็นอย่างนั้นเช่นมันอาศัยอยู่ในรูดินอย่างนี้นะมันก็เกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาแล้วมันจึงได้ไปอาศัยอยู่นั้นอันนี้ก็ให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็นเมื่อไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายหลงนะหายหลงสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนของเราจริงจังความหลงมันกาลังนับไปความรู้ว่า ขันธหน้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็ปรากฏอยู่ที่จิตนี้ตลอดเวลาไปเมื่อความรู้ความเห็นตาไมไปจริงบางเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจราคะความกำหนญินดีมันก็เบาบางลงโทสะความโกรธความอุบัติได้ก็เบ า, บางลงโมหะความหลงความไม่รู้จริงในธาตุสี่ขันธหน้ามันก็เบ า, บางลงอย่างนี้แหละ แล้วแล้วดวงจิตนั่นก็รู้เองรู้ว่ากิเลสอันนี้มันเบาลงจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพึ่งพากันเข้าใจศีลสมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมสมพันธ์กันไปเลยภาคจากกันไม่ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งภาคออกไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็ เสื่อมไปเหมือนกันนะอย่างว่าถ้าศีลไม่มีแล้วอย่างนี้สมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้เพราะบุคคลไม่มีศีลแล้วก็ไปทําแต่บาปนี้ไปเที่ยวค่าสซา์เที่ยวรักทรับไปเที่ยวแบบพืชผิดในกามกล่าวว่าสามารถเดื่มสุราเมาีไรกัญชา ย, ยาพิ่นเฮโรอีนอย่างนี้นะเมื่อไปทําชั่วอย่างนี้แล้วมันก็นั่นแหละ มันก็มัวมองไปอืมันไม่ผ่องใสแล้วจิตใจนั่นน่ะมันเป็นองนั้นเพราะเพราะว่าหลงสําคัญว่าถ้าสี่ขันธ์นี่เป็นตัวเป็นตนนั่นน่ะสาเหตุที่มันจะไปทําบาปต่างๆของคนเรานะถ้ามันเห็นขันธ์ห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเแล้วเอ้าจะใช้ขันธ์ห้านี้ไปทําบาปทําไมเมื่อขันธ์ห้านี้ไปทําบาปลงไปแล้วจิตนั่นเป็นผู้เสวยผลแห่งบาปนั่น อไม่ใช่ร่างกายมันเสวยอ่ะร่างกายมันก็แตกดับทําลายลงสู่พื้นดินนี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะจิตนั่นสิแบบนี้นะบุญบาป พ, พาไปแบบนี้บุญบาปไม่ได้พาร่างกายนี้ไปเลยบุญบาปที่ทําก็พาร่างกายใจนี่ไปบางเกิดในภพน้อยพบใจ ข่าวใดาปากให้ผลก็สเสวยทุกขเวทนาเดือดร้อนวุ่นวายขาวใดบุญกุศลให้ผลก็สเสวยความสุขความสบายล่าเริงบันเทิงใจแตชีวิตของคนธรรมดาสามัญเรานะก็เป็นอย่างนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่นะยลองสังเกตดูที่เราเกิดมาในชาตินี้ดูก็ได้ในเมื่อเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรม ก็ปล่อยให้ความยินดียินร้ายความเสียใจเศ ร, ร้าโศกอะไรครอบงำจิตใจในเสมอไม่ใช่เหออเรอเดียวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เศร้าโศกเดี๋ยวก็โกรธก็เป็นอยู่ยนั่นนะจิตใจเป็นปกติไม่ได้เพล็กไปพลิกมาอยู่นั่นอให้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะจิตใจย่อมหมุนไปหมุนมาอยู่นั้นแหละ พอเมื่อได้ผูดด้ใดมาปฏิบัติธรรมวารักษาสินใบนบริสุทธิ์เสียแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปบาปมันไม่มีนี่บริสุทธิ์ินมันกําจัดบาปออกไปแล้วจิตใจยังเบิกบานผองแผ้วเมื่อมันเบิกบานแล้วมันก็ต้องการความสงบแหละโน้มมันลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้เพราะว่าใจนี้เมื่อไม่มีบาปมนุษยวนแล้วมันเยือกเย็น ตัณหามันก็ไม่มากมายมันก็มีแต่ต้องการความสงบลูกเดียวให้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานะ่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรต่ออะไรอยู่ถ้ามันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรอยู่เนะี่ยแสดงว่าสินยังไม่บริสุทธิ์ยังร่วงสินอยู่ยังร่วงสินอยู่เป็นอย่างนั้นเรืองมนะัน ดังนั้นผูกมุ่งหวังความสุขความสดบริสุทธิ์พุทธฟ้องแก่ตัวเองแล้วก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานสมทานศินห้าประการนั้นกลับคืนมาถ้าไม่ได้สมทานกับพระก็สมทานเอาโดยตนเองต่อหน้าพระพุทธลูกโต๊ะหมู่บูชาในบ้านในเรือนก็กดได้ไม่ขัดข้องอะไรรู้สึกตัวแล้วนะ ว่าเราจะไม่ทำบาปเช่นนั้นต่อไปอีกแล้วเราจะเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะโดยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปโทษความชั่วที่ได้รุ่มหลงทำมาแต่ก่อนก็จงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของกบเจ้านี้ก็อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แหละนี่แล้วว่าเราเคลียนละบาปออกจากจิตใจ เมื่เราที่ฐานใจเนี่มันรู้สึกว่าใจจะปลอดโพ่งนะใจเบานั่นแหละบาปมันละงับไปอืมมันก็เบาขึ้นมาแล้วก็เพ่งความรู้สึกนั้นเข้าไปมันก็รวมลงรวมลงเท่านั้นเองเนละในเมื่อมันไม่มีบาปมารบกวนแล้วมีแต่บุญนั่นบุญนี่มีจฉาทําใจสงบให้เยือกเย็นไปเท่านั้นเองเลยเป็นอยงนั้น เพราะฉะนั้นจะพากันเกียรตค้านการภาวนาเนะ่ะไอผู้ใดยังทําจิตให้เข้มแข็งยังไม่ได้อย่างนี้ยังมีอ่อนแออยู่นี่ก็มันก็เป็นธรรมดาออถึงข่าวมันอ่อนแอมันก็แน่อ่อนแอไปเมื่อรู้ตัวว่าตนยังอ่อนแออยู่นี่ก็พายายามแห่งเข้าไปอดทนเข้าไปทําจิตให้เข้มแข็งเข้าไป อย่างนี้มันถึงสงบรวมลงได้นะจิตนะถ้าปล่อยมันอ่อนแออยู่นั่นน่ะไม่มีทางมันจะรวมลงได้รวมลงไม่ได้ถ้าเราฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนับก็ น, นับว่าเบาไปมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมนะในใคล้ายๆกับว่าเราผ่านตงหนาป่าทึบมาแล้วแล้วมาสู่สที่โล่งที่เตียนแบบ น, นี้นะ มันก็สบายอ น, นเมื่อทำใจสงบลงได้แล้วไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอะไรเราก็สบายสิวะนี้นะนี่นะให้พากันอดกันทนภาคเพียนเพ่งทินิษตรงไปอย่าไปท้อถอยให้ใจมันสงบลงให้ได้แล้วเราจะได้พบความสุขอันแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้